คุยได้ไม่นานเธอก็ร้องห่มร้องไห้เป็นความทุกข์ของแม่นะเพราะว่าลูกซึ่งอ่เป็นวัยรุ่นไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องการเรียนแม่ก็พยายามที่จะปวดขันตักเตือนตอนหลังก็ว่ากล่าวลูกก็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 ซึ่งในกรณีนี้ก็คือการสอบเข้ามาาหาวทยาลัยได้และจะสอบเข้าให้ได้ก็ต้องขยันขันแข็งต้องมีระเบียบวินัยก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นอย่างนั้นลึกๆแม่ก็กลัวนะว่าลูกจะสอบเข้ามาหาวทยาลัยไม่ได้ไอความกลัวนี้ ย, ยิ่งทําให้ต้องบีบขั้นเขี้ยวเข็นกดดันลูกก็เลยพูดกับแม่เขาซึ่งตอนนั้นเนี่ย <c oughs> ซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าไม่รู้จะทํำยัำยงไงแล้วเนี่ย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 นะกับลูกแม้กระทั่งดุด่าว่ากล่าวจนลืมจนลืมตัวลูกไปอันนี้เป็นเป็นมากนะก็เป็นกับคนทุกคนนะ่บางทีเราให้ความสำคัญกับไปให้ความสำคัญกับวิธีการมากกว่าจุดหมายหรือไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันเป็นเปลือกมากกว่าตัวแก่นเมื่อคนที่ใครๆก็ต้องการความสุข แต่ว่าไปไปมาก็ไปให้ความสำคัญกับเงินไปให้ความสำคัญกับเงินไปให้ความสําคัญกับทรัพย์สมบัติทั้งๆ ท, ที่เงินหรือทรัพย์สมบัตินี่มันก็เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ไปสู่ความสุขแต่มันก็อาจจะไม่ใช่นอุปกรณ์เดียวที่จะไปถึงความสุ ข, ขก็ได้ครานี้เนี่ยแม่ก็อยากจะให้ลูกมีความสุขนะแล้วคิดว่าการสอบเขาา้ามัธยาลัยของลูกเนี่ยจะทําให้ลูกมีความสุขแต่ว่าบางทีก็ไปให้ความสำคัญกับการสอบเข้า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 เขาก็ยังรู้ว่าเขามีที่พึ่งอย่างน้อยก็คนนึงแล้วก็คือแม่ที่พร้อมจะโอบ ก, กอดเขานะหรือว่าอ้าแขนต้อนรับเขาเพราะ ม, มีมันมีคนจำนวนมากเลยที่สอบเข้ามาวิาลัยไม่ได้ด้วยความพังเพลือด้วยความประมาด้วยความทะเลทลายทั้งที่พ่อแม่ก็เตือนแล้วนะเคี่ยวเข็นดุด่าว่ากล่าวแล้วก็ยังดื้อดืดดึงเสร็จแล้วพอสอบเข้ามาวลัยไม่ได้ ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวไม่กล้าสู้หน้าพ่อแม่รู้สึกว่าตัวเองจะกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจในสายตาพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ออบอายบางทีคนเหล่านี้เขาก็ตัดสินใจนะทำร้ายตัวเองซะเลยพราไม่รู้จะไปหาใครแล้วอาจจะฆ่าตัวตายหรือว่ากกระเซาอกระเซิงไปที่อื่นแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะถึงแม้เขาจะผิดพลาดไปล้มเหลวไปแต่ก็ยังมีแม่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 เวลาเรามีความหวังในตัวใครเนี่ยนะคนนั้นเขาจะรู้สึกดีมากเลยถึงแม้ว่าเขาจะเรียนไม่เก่งเขาจะเก่งเมเลเกเรแต่ถ้าคนรอบข้างให้มีความหวังในตัวเขาเนี่ยมันจะช่วยปลูกพลังบวกขึ้นมาในตัวเขาเป็นใครก็ตามนะโดยว่าคนที่ถูกสังคมเย็ดยามเพราะว่าเรียนไม่เก่งเพราะว่าประพฤติตัวเกเร แต่ถ้ามีใครสักคนหรือ ว, ว่าคนที่เขารักเนี่ยมีความหวังในตัวเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นมาได้ไอความหวังที่เรามีกับเขาเนี่ยมันจะไปปลูกพลังบวกขึ้นมาในใจเขาทําให้เขาเกิดเกิดแรงขึ้สู้ขึ้นมาเอาชนะความฝ่ายต่าได้อันนี้มันมีตัวอย่างเยอะมากนะคุณทิชาณ น, านาครนเนี่ยเป็นผู้อำนวยการบ้านการจนะพิเศษซึ่งรับเอาเด็กที่เหลือขอที่เป็นฆาตการก็มีนะ เป็นขโมยก็มีพวกนี้เนี่ยใกล้จะพ้นโทษและหลังจากที่อยู่สถานพินิษฐ์มาระยะหนึ่งเยวาวชนนะไม่ได้อยู่ในคุกนะต้องอยู่ในสถานพินิษฐ์คดีอุกชะกันเนี่ยพอกล้จะพ้นโทษสองสามปีหรือว่าสี่หปีก็จะให้ไปอยู่บ้านการน์พิเศษแล้วก็คือคือทช้าก็สามารถจะเปลี่ยนเด็กเหล่านี้เนี่ยเยว า, าวชนเหล่านี้ให้กลายเป็นคนที่เป็นคนใหม่ขึ้นมา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 คาดหวังนี่หมายความคาดหวังเนี่ยมันมันจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับตัวเด็กอย่างแม่คนนี้ก็มีความคาดหวังว่าลูกจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้นะแล้วเพอ เ, พ อ, เพ อ, อาจารย์มีการกักเกณฑ์นึกว่าจะให้เข้ามหาวิทยาลัยในคณะอะไรเพอเพอกำหอนดอาชีพไว้ให้เสร็จเนะมีความคาดหวังพอมีความคาดหวังก็ไม่เกิดแรงกดดันคนเรานเนี่ยพอถูกแรงกดดันเข้าก็รู้สึกอึดอัดและยิ่งตัวเองเนี่ย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 หรเพราะคนจีนเนี่ยเสือผืนนวนใบมาจากเมืองจีนแล้วเขาเขาเก็บหอมรอมริบเขามีความอดทนมีความขยันมีวินยัยนะอันนี้เป็นค่านิยมที่เราถูกฟูมฟักมานะแล้วหยวงพ่อยู่ยคนนี้คงได้รับค่านิยมนี้มาเนี่ยนะแกก็บอกว่าสมัยว่าว่าตัวเองเนี่ยเห็นเลยนะว่าคือเธอไม่เข้าใจทาไมเด็กสมัยนี้ไม่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 อุ่างลุ่ น, นเรานี่ลวนตำนาเนี่ยนะเวลากินท่าเนี่ยต้องกินให้หมดนะไม่ให้เหลือข้าวซักเม็ดเลยแต่สมัยนี้เนี่ยเขาเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องกินข้าวจนไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่อะไรๆก็มีได้ง่ายเป็นลูกบริปโภคนิยมทุกอย่างมันมีมากล้นเหลือเฟือไม่เห็นความจะเป็นการอดออม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 อยู่กับลูกก็อยู่ด้วยใจเต็มร้อยไม่ต้องเอางานเข้ามาวางงานไปจากใจอยู่ด้วยใจที่อยู่กับลูกด้วยใจที่สดที่ใหม่ก็ให้คำแนะนาเขาไป3ามข้อนะซึ่งก็คิดว่าสาหรับแม่หลายคนเนี่ยถ้าทำสามข้อนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เขานะสามารถจะรับมือกับปัญหาได้เพราะ ป, ปัญหาจริงเนี่ยนะ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 ครอบครัวที่ผาสุขหรือว่าชีวิต ท, ที่สำเร็จนะวัดด้วยเงินด้วยทองก็ได้เดี๋ยวนี้เราไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนในระบบนะโดยเฉพาะหมาชไหลเรื่องของปริญยญยาบัตรแล้วมันก็ทำความทุกขให้กับผู้คนมากทำความทุกข์ให้กับพ่อแมนะ่พอลูกสอบเข้ามาใชยไม่ได้จะกลุ้มใจตอนนี้ก็มีแม่หลายคนก็มาปรึกษาตามาเรื่องนี้แหละ ห่วงลูกว่าจะสอบเข้าหมหาวิทยลาลัยไม่ได้หมหาวิทยาลัยเมืองไทยบ้างหมหาวิทยาลัยเมืองนอกบ้างเสร็จแล้วก็ไปลบลาไปลาวีกับลูกเนะเสร็จแล้วก็สุดผิดหวังในตัวลูกผิดหวังในตัวเองบางคนก็ท้อแท้ลูกก็แย่นี่เพราะเราไปให้ความสาคัญนะกับการเรียนเข้าหมหาวิทยลาลัยมากกว่าให้ความสาคัญกับตัวลูกนะถ้าเราเอาลูกเป็นอันดับหนึ่งในะการเรียน เข้าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นอันดับสองอันดับสามเนี่ยมันจะไม่เกิดเรื่องทะเลาะเบาแหวกในขนาดนี้ยังไงก็ต้องรักลูกไว้ก่อนนะถ้าเข้าได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ยังรักเขาเนะียยังพร้อมจะให้กําลังใจเขาพร้อมจะสนับสนุนเขาพูดง่ายคือว่าให้ให้วางความคาดหวังในะในตัวลูกลงหลายๆแหล่งก็จะดีขึ้นอาจามาเคยเจอเพื่อนที่เรียนชั้นเดียวกันมาตั้งแต่ ท่านประถมนะก็เรียกว่าคบกันมาห้าสิบปีไปเจอกันในงานศพของพ่อเพื่อนเขาเห็นหน้าเขาก็มามาหาแล้วก็มาขอบคุณขอบคุณเรื่องอะไรเขาบอกขอบคุณเพราะว่าเขาได้ฟังคำบรรยายองตามมานะไม่ล้วนใน y o u t u ู e หรือว่าในในเสียงที่เป็นเสียงอาตมาพูดถึงแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเรานะไม่ว่า